ความรู้เรื่องกรรมสิองประเภทกลุ่มที่หนึ่งให้ผลตามการเวลาข้อที่หนึ่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ข้อที่สองอุปัชเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาติหน้า ข้อที่สามอปาราปะระเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาติต่อๆไปข้อที่สี่อโหสิกกรรมกรรมที่เลิกไม่ให้ผลคือให้ผลเสร็จไปแล้วหรือหมดโอกาสจะให้ผลได้ต่อไปกลุ่มที่สองให้ผลตามหน้าที่ ขอที่ห้าชนากะกรรมหรือชนกกรรมกรรมที่ให้ผลคล้ายบิดาคือแต่งให้เกิดมาดีชั่วต่างกันหอุปธรรมภกะกรรมกรรมที่คอยตามสนับสนุนเหมือนพี่เลี้ยงคือถ้ากรรมเดิมหรือชนกกรรมแต่งดีก็ส่งให้ดียิ่งขึ้นถ้ากรรมเดิมแต่งให้ชั่วก็ส่งให้ชั่วยิ่งขึ้น อุ ป, ปีละกากรรมกรรมบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิมคอยเบียนสนกกรรมเช่นเดิมแต่งมาดีเบียนให้ชั่วเดิมแต่งมาชั่วเบียนให้ดีแปดอุปาการตกกรรมกรรมตัดรอนเป็นกรรมพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเดิมสนกกรรมแต่งไว้ดีเลิศ กลับทีเดียวลงเป็นขอทานหรือตายไปเลยเดิมชนกกรรมแต่งไวเร็วมากกลับทีเดียวเป็นพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลยกลุ่มที่สามให้ผลตามความหนักเบาข้อที่เก้ารุ ก, กรรมกรรมหนักทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ฝ่ายดีเช่นทำสมาธิจนได้ฌานฝ่ายชั่วเช่นทำอนันตริยกรรมมีค่ามารดาค่าบิดาเป็นต้นเป็นกรรมที่จะให้ผลโดยไม่มีกรรมอื่นมาขวางหรือมาสลับขั้นได้ 10. พหุลกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมที่สะสมไว้มากๆเข้ากลายเป็นดินพอกหางหมู คือทำทีละเล็กละน้อยกลายเป็นกรรมมากไปได้ข้อที่11อสั น, นกรรมกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายหรือที่เอาจิตใจจดจ่อในเวลาใกล้ตายยอมส่งผลให้ไปสู่คติที่ดีหรือชั่วได้ซึ่งเปรียบเหมือนโคแก่ที่อยู่ปากคอกแม้แรงจะน้อยสักเท่าไหร่เมื่อเปิดคอกก็ได้ออกก่อน 12กระตัดตากรรมกรรมสัตวธรรมคือเจตนาไม่สมบูรณ์อาจจะทำไปด้วยความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็อาจส่งผลดีร้ายให้ได้เหมือนกันในเมื่อไม่มีกรรมอื่นจะให้ผลแล้ว